ก็ศึกษาไปนะศึกษาไปเราท่านสอนเยอะเรารับเท่าไหร่เราเท่า น, นั้นที่รับไม่ไหวเ้าก็ขายทิง้งมันเด็กใช่ไหมสมัยเรานึกออกไหมเวลาเป็นเด็กเวลาแม่สอนเนี่ยใครเยอะเราก็ปูทิ้งเลยนะกินเท่าที่กินได้อย่าไปสับสนนะอันนี้ก็ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>เป็นการเลือกเหมือนกับเราไปตลาดสดโอ้โห น, นั้นก็น่าจะซื้อนนี้น่าจะซื้อก็เลือกอส่วนจําเป็นที่เรากินได้ แต่หน้าที่ของแม่ค้าเขาขายแล้วก็วางแยะแต่หน้าที่ของเราก็ไปซื้อสิ่งที่เราจําเป็นวันวันนึงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็หลากหลายแล้วก็เลือกเฉพาะที่จําเป็นสักอย่างหนึ่งที่พอปฏิบัติได้นะหนั้นเองก็เราก็เอาเรื่องจริงมาพูดให้กันฟังเรื่องจริงก็คือตัวของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญ เป็นบุคคลที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาตัวให้ดีรักษากายให้เข้มแข็งรักษาใจให้สะอาดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าทําใจให้ ส, ก ป, ก, สกปรกสัพปะปาปัสะกระนังอย่าทําใจให้เศร้าหมองอคิดอะไรก็ได้แต่อย่าทําใจให้เศร้าหมองอันที่สอง ท่านบอกว่าทํำใจให้ดีๆเขาไว้อะไรก็ตามใครจะด่าจะว่าจะแ่งมีอินถาทํำใจให้ดีเขาไว้ อ, อันที่สามท่านบอกว่าทัางสมองทัางดีมันก็เปื่อนใจเหมือนกันเหมือนแก้วเอับปไซอับปไซของสปกปกมันก็เหม็นอับปไซน้ําชากาแฟกินได้แต่เวลาจะใช้จริงจริง แม้แต่น้ำชากาแฟหรือน้ำผลไม้เราก็ต้องเททิ้งเพราะอะไรทั้งของดีและไม่ดีทำให้แก้วเปื้อนได้แต่แก้วที่พร้อมใช้เป็นแก้วที่ว่างเปล่าท่านก็สอนข้อสามษิตะประโยชน์ทนักทำจิตให้ว่างเขาไว้ทำจิตให้สะอาดเขาไว้ในคำสอนครูเจ้ามีสามอย่างแค่นี้เนี่ยที่ขยายเป็นแปดหมืนี่พันนับคำขยายเป็นสามข้อเนี่ยหนึ่งอย่าทาจิตให้สกปรก สองแม้แต่คิดดีก็คิดในบางเวลาสามทำจิตให้ว่างให้ปราให้สะอาดด้วยเสมอเหมือนแก้วอะเวลาเราใช้เสร็จถ้วยชามบ้านเราใช่ไหมคาสอนผู้เจ้าง่ายๆนะไม่ยากไม่ซับซ้อนเลยแต่ถ้าคนไม่รู้เนะี่จะสอนให้ซับซ้อนเราก็ตามยากมากอ่าเวลาเราทานข้าวถึงเช้าใช่ไหมแล้วก็คือใส่อาหารทานเสร็จทําไง อาหารถ้วยนั้นอะเช้านี้กินได้ถ้าทิ้งไ 2, 2, ว้สักสองสวรรอาหารถ้วยนั้นกินได้ไหมไม่ได้แม้แต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยถ้าเราคิดนานๆสิ่งนี้นก็เสียเหมือนกันเดีย๋ยวเพรสิ่งที่ไม่ดีเลยอาหารที่ดีอร่อยมากตอนเช้านี่ทิ้งไว้แค่สามวันกินไม่ได้แล้วความคิดที่ดีๆในวันเนี่ยคิดไปสักระยะหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วความคิดใจเศร้ามองเพราะอะไรเพราะกฎแห่งอันจงังที่อยากเปลี่ยนแปลง ถ้าจิตของเราถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันก็เหมือนน้าที่ตกลงมาก็ไหลลงที่ต่ำแต่ถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันดีเช่นเวลาน้ําไหลอยากจะให้มันอยู่ได้ทั้งปีอยากจะให้มันสร้างเขื่อนอย่างท่านไฟฟ้าที่เราได้มาก็จากน้ําตกนะเขามาติดเครื่องปั่นไว้ให้ไม่ใช่แค่ใช่ไหมดวงตาไฟฟ้านี่มาจากข้างบนเห็นไหมแล้วก็เอาเครื่องปั่นมาติดแทนที่มันจะไหลขึ้งไปเฉยๆจะมีแสงสว่างให้เราใช้ เพียงแต่วมาติดตั้งเครื่องปั่นน้ำเข้ามามันก็มาเป็นไฟได้เห็นหมใจของเราเหมือนกันเวลาเราคิดแบบที่ขาดสติเนี่ยมันก็เหมือนน้ำไหลทิ้งไปเฉยๆไปลงทะเลเป็นน้ำกินใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราจัดการน้ำที่มันไหลเอา generator ของไฟฟ้าไปติดมันก็เป็นแสงสว่างสร้างเป็นเขื่อนเป็นอ่างใหญ่ขนาดไหนก็เป็นประโยชน์มากขนาดเกินคิด เขื่อนผู้มีพลเขื่นสศรษฐกิจเข็นสิินทรเขือนวชิราลงก่อนเห็นไหมเราก็ใช้น้ำใช้ไฟฟ้าได้ทั้งปีจิตของเราถ้ามันรู้ว่ามันจะไหลลงเวลาคิดปั๊บมันก็จะไหลไปทางเป็นธรรมชาติของมันนะเป็นธรรมชาติของจิตถ้ามันคิดที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยมันจะไหลเหมือนน้าไหลดังนั้นการสร้างเขื่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกสติเตซังมิวรรณะสติเป็นเครื่องเป็นเขื่อนกั้นจิต ไม่ให้มันไหลลงที่จะกั้นยังไงเราก็มาสร้างพวกแป้งพวกไป้งี่ใช่ธรรมดาเนี่ยโยนอิดโยนหินเรื่องทีละก้อนสองก้อนแล้วก็อัดลงไปด้วยแล้ววันหนึ่งมันก็เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ใครต้องการน้ําขนาดไหนก็สร้างเลยหลวงพ่อสร้างแล้วตั้งแต่ปีสองพ่งรยยสิบจนปับันนี้ยังไม่ไม่หยุดสร้างเลยเขื่อนหลวงพ่อก็เลยใหญ่ใหญ่ญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสูงเขื่อนสูงเราก็มีน้ําใช้เยอะมีไฟฟ้าแรงสูงใช้ แล้วก็มีความสว่างสบายมีความอดมสมบบูในตัวเราเองไม่มีความทุกข์เลยแต่ทุกครทําได้แต่ทีนี้ไอการที่เราจะโยนอีกโยนหินลงไปกั้นกระแสะน้ําเนี่ยถ้าโยนไม่เป็นเนี่ยมันเป็นเขื่อนไหมโอโยนทั้งปีทั้งชาติน้ำไปไงมันก็พดัดไปหมดโยนลงไปโยนลงไปเราต้องมีวิธีโยนน่ะสมมติว่าน้ํากระแสะมันแรงอยู่เนี่ยเราโยนใส่มันก็พดัดหนีหมดทํำไง เขาเห็นว่าสร้างเขื่อนไหมเขาจะสร้างเขื่อนตรงนี้เขาก็ทําทางน้ําไปทางนูน้นทําตรงนี้มันเสร็จปิดทางน้งํำทางนั้นต้อให้มันไหลมาให้ปิดทางนั้นมันก็ขึ้นเหมือนกันขณะที่เราสร้างเขื่อนสร้างเสดิเนี่ยแต่น้ํามันจะไปต้องไหลอ่ะอารมณ์มันต้องมาความคิดความโกรธความโกรธความง่วงความเหงาอันนี้เป็นกระแสเป็นกระแสที่มันไหลมาตลอดเวลาปฏิเสธไม่ได้มันต้องคิด มันต้อ ง, ง่วงต้องขี้เกียจต้องเบือ่อต้องเซ็งเราก็ทำให้มันไปไหลไปอีกทางหนึง่งไหลไปทางไหนไหลไปในทางที่เราต้องการการที่จัดให้น้ำไหลไปทางที่ต้องการเรียกว่าปัญญาการจัดการกระแสน้ำไปเรียกว่าปัญญาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันไหลเองเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหานม่เดียวเห็นไม้มต่างกันนี้เดียวคนละเรื่องเลยถ้ามันไหลเอง โดยที่จัดไม่จัดการมันความคิดและอารมณ์ต่างๆถ้าปล่อยมันไหลไปลมันก็พาจิตเราดั่งไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีสร้างตัวนี้สร้างยังไงสร้างเรา อ, อัดสร้างแล้วอัดสร้างแล้วอัดการสร้างเขื่อนมีสองอย่างหนเึเขื่อนดินอัดลงไปแบบเขื่อนเศรษฐกิจสองเขื่อนซีเมนแบบเขื่อนภูมิผลก็มีไส้เด็กต้องมีการวางรากฐานต้องไปตอกเสาเข็มล ง, งลึก แล้วสามารถเก็บน้าไว้ได้มหาศาลฉันใดก็ดีสร้างเขื่อนมีสองอย่างสร้างสติหนึ่งสติแบบสมถะสองสติแบบวิปัสนาสติแบบสมถะนี่เรียกว่าเขื่อนดินแบบเสติจีนี่ก็ใช้ได้แต่สติแบบวิปัสนาแบบเขื่อนผู้ยพ่งเหยคือใช้ซีเมนต์แล้วก็เสริมเหล็กสร้างน้ําได้มากมายเห็นไหมทำไมจึงบอกว่าเป็นเขื่อนดินมสมถะเพราะมันต้องไม่ไ ม, ไม่ม่มีไส้อัดลงไปอาจลงไป สำหรับบางคนนั้นทําสมาธิทําลงไปทําลงไปทําลงไปทําลงไปรู้สึกว่าสมาธิถึงระดับหนึ่งเนี่ยจิตมันหนักแน่นมากเขาเรียกหุดพน้นได้เหมือนกันก็เรียกเจโตวิมุตต์หุดพน้น้วยจิตที่มันเป็นหนักแน่นเป็นสมาถะแต่ว่าคนที่จะทํางมืนได้เนี่ยโอ้ใช้พลังมหาศาลอัดแล้วอาจอีกอาจไม่ดีพังนี่ขันดินละชาวบ้านก็เลยมาทําฝายทําอ่าเก็บน้ํา ีและสมถะที่เก็บเอาไว้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นเขื่อนวิปัสสนาก็คือเขื่อนใช้เสริมเหล็กอลงไปใช้ปัญญาปัญญาเหมือนเสริมเหล็กแล้วก็ใช้สมถะในน้อยหนึ่งเป็นคนกีใช้ปัญญามากก็คืออย่างที่เรามาทำตัวเสริมสติลงไปความคิดมาไปรู้ความคิดความคิดมาตลอดเวลาไหมอารมณ์มีตลอดเวลาไหม มีเป็นบางครั้งแต่ที่มีอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเวทนาของเราเจ็บตรงนั้นแล้วปวดตรงนั้นแล้วเย็นตรงนี้แล้วหนาวตรงนั้นเดี๋ยวแสบตรงนี้เดียหัดตรงนั้นมีตลอดเวลากําหนดตัวเวทนาเนี่ยเพราะเวทนาเนี่ยมันเหมือนไฟไฟเนี่ยถ้าคุณภาพของไฟมีกี่อย่างคุณลักษณะของไฟมีกี่อย่างถามพวกเราก่อนหนึ่ง ความร้อนสองแสงสว่างอ่าเห็นไหที่เราจะใช้ในส่วนไหนของมันเวทนาก็มีสองอย่างหนึ่งเวทนาที่เราจัดการมันไม่ได้มันเป็นความร้อนเผาเราเบินเราสองเวทนาที่เราจัดการมาได้มันกลายเป็นแสงสว่างแน่เพราะฉะนั้นตัวปัญญาพร้อมที่จะเกิดเพียงแต่ติดตั้งตัวสติลงไปเท่านั้นเองสามารถ t r a n s f ไอเด Excuse me. Uh, talk about how to transform the bodily feeling, happy feeling, unhappy i f we can trans, with your the mindful n e s s or wisdom, transform the bodily feeling to be inside wisdom. Really important. So any any unhappy come up, pop up in your body, hurt your body. Don't deny it, but try to be aware of bodily painful, painful feeling. Hurt feeling, be aware of that. How to transform such a painful feeling to be i n s i d e wisdom would be important point. And then we can see reality, we that the a we have ourself, ourself. Life a a n in c e r o r t a i n s t a n t l c h a n g e e n p e n y o u y Open y น u r eyes. Open y า u r eyes. Open your eyes. Open your eyes. Open your e y น s Open your eyes. Open your y o u r e n s e eyes. Open y eyes. y o u n s e e e y o u n s e e e r n y y o u n s e e e y o u n s e e e e r เป็นยังไงพราะถ้าเราเปลี่ยนทุกเวทนาได้เป็นแสงสว่างพระสาลีบุตรชื่อว่าเป็นสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีปัญญามากที่สุดรองจากพระพุทธเจ้าท่านท่านฟังธรรมเชื่ออะไรรู้ไหมขอแทรกเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งนะเพื่อเอาใจเด็กนะนิทานเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่นิทานอนะ่ะของจริงเนเรื่องจริงคือสมัยนั้นนะ่ะหลังจากที่ ท่านสาษลิบุตรเขาโยงไปไกลนิดหนึ่งตอนที่ท่านจะมาบวชเป็นภาษาลิบุตรชื่อเดิมท่านชื่อว่าอุปริจักและอุปติสาอุปติสาเป็นคนหนุม่มที่นี่อุปติสามานกเนี่ยเป็นคนหนุม่มแล้วก็เป็นคนลุกคนรวยอะ่ะใช่ไหมเป็นลูกคนรวยก็เศรษสุสสนุกสนานทุกอย่างแต่วันหนึ่งมีเพื่อนชื่อหนึ่งโกลิตักต่อมาเป็นมหามกกละนะก็ไปไปกวันหนึ่งไปดูละครแล้เราไปดูละครฉาก ไหนก็ไม่รู้มันเกิดเบื่อชีวิตขึ้นมาเป็นละครชีวิตเกิดเบื่อชีวิตขึ้นมาอย่างสุดๆเลยก็น่าต่เพื่อนวัดต่อไปเพื่อนเราอย่าดูเลยละครเ น, นยยี่ยไร้สาระจริงๆเสียเงินเสียทองเสียอะไรต่างเราควรแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี้ก็าพากันไปแสวงหาหาหลายอาจารย์ในที่สุดไปเจอสนชัยปริภาชกก็เป็นสิ่งอาจารย์แรกอาจารย์สนชัยพอศึกษากอาจารย์นี่นานเท่าหนั้นเข้าก็หมดความรู้อาจารย์ อ, อาจารย์บอกว่าหมดความรู้แล้วมีแค่นี้คุณฉลาดเนาะดัะงนั้นเอาเรีนนัดกับเพื่อนเอาอย่างนี้เลยกันเราแสวงหาอาจารย์ด้วยถ้าพูดไปนานๆนจะชายบอกว่าเราไปหาอาจารย์โดยถ้าใครเจออาจารย์ดีมาบอกกันทีนี้วันหนึ่งก็ต่างคนต่างสอดแสวงหาอาจารย์ท่านอุปนิสดาไปทางหนึ่งท่านกออุปติสาไปทางหนึ่งที่ที่เพ่าไปเจอตอนนั้นพระพุทธเจ้าส่งสาวกอ่า หองค์คือปัจจุันวิกิทั้งห้าออกเผยแพ่ไปโคละทางในวันในวันนั้นเนี่ยท่านอาเจชนะิเป็นสาวกองหนึ่งของปัจจวิัของพุทธเจ้าในปัจจวิกิทั้งห้าชืออาเจชิกำลังไปบินเบาตน้ามะขามป้อมนี่นะไม่ใช่นะ้าอืนะ่นไปบินเทาบาตทก็เดินส้ารวมแล้วก็ท่าน อุปร so ิตาใ้เห in mm ็น hmm. นักบวชในสมัยนั้นในอิเลียนยัมีนักบวชร้อยแปดลัทธิตัวนี้แทรกมายาวหน่อยนะก็รอยแลัทธิก็ไปหาดูสมณะตามลัทธิต่างๆก็ไม่น่าเลื่อมใสแต่มาเจอสมณะรูปนี้น่าเลื่อมใสก็เดินตามไปถ้าจะเข้าไปถามว่าท่านมาจากวัดไหนสื่อสายธรรมะอะไรจากอาจารย์องค์ไหนนี่ก็ท่านกําลังจาริ้งพี่ขายจานบินทะบาทอยู่เดี๋ยวกบว่าท่านไปวินทะบาทกลับมาแล้วจะเข้าไปหา พอบินธบัติท่านฉันได้เสร็จเรียบร้อยบินธบัติสมัยนั้นก็คือไปบินธบัติเสร็จแล้วก็เจอชุ้มถุมพุ่มไมท้มที่ไหนก็นั่งฉันท่านก็เสร็จแล้วก็เดินทางต่อเท่านั้นเองพอพระเจชิหยุดฉันท่านก็นั่งอยู่ห่างพอท่านฉันเสร็จก็เข้าไปถามว่าท่านมาจากวัดไหนสํานักอะไรใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์ท่านส อ, อนทำเรื่องอะไรเนี่ย อาชีว่าพหนุ่มฉันเนี่ยเพิ่งบวชใหม่เพิ่งรู้ทำใหม่คงจะตอบปัญหาอะไรละเอียดไม่ได้หรอกโอ้ไม่เป็นไรท่านตอบสั้นก็ได้ว่างเงินะอ๋อโอเคตอบสั้นแลวก็เยธรรมมาให้เพรว่าเตสั้งเหตุ้งตะทากะโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังมหวาธีมหาสมโนแค่นี้ได้ดวงตาเห็นทําบรลุสดาวันเลยโ้ไวมากนี่มีใครบรู้วุวานไหนยังไม่มีเนะย วัยเจ็ดรอบก็ยังไม่รู้อย่าบรรลุหรือเปล่านะก็หมายความว่าอย่างไงถ้าเป็นภาษาเราอะสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยมันจะดีจะร้ายอยู่ที่เหตุถ้าเราจะให้มันดีก็ทําที่เหตุมันจะร้ายก็แก้ที่เหตุอ่าดับที่เหต์ของมันถ้ามันร้ายระดับที่เหตุมันถ้าจะให้มันดีก็สร้างที่เหต์ของมันอาจารย์เราสอนอย่างนี้เอวังวัติมหาสมาอาจารย์เราสอนอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเกิดเอ เยธรรมาให้ปวาเต้สร้างใหต้ตุงมตถ า, ตตาคตุตถาคตมีปกติเปล่าวถึงเหตุของสิ่งนั้นที่นี่เราจะมาสร้างกันดับทุกข์เรามาสร้างที่เหตุเหตุของปัญญาคืออะไรคือสติอ่าเหตุของสติคืออะไรคือความเพียรเหตุของความเพียรคืออะไรคือความเชื่อและเลื่อมใสศรัทธาเหตุของศรัทธาคืออะไร คือใจโนม้มใจเชื่อก้ามาเนหะ็นไหมมันมีเหตุเก็สร้างเหตุมาดำําดับมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็ลงมือทำเพราะลงมือทําบ่อยๆรู้บ่อยๆความรู้สึกตัวเขาเมืม่อใดกายกับใจมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเรียกว่าเกิดสติละเมื่อใดกายกับใจออกจากกันก็เกิดสติอีกแบบหนึ่งเรียกว่าสติอะไรที่ว่ามันไม่คืนสติแสนแสจายานทําให้กายกับใจออกจากกันเมื่อดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันเกิดสติอีกระดับหนึ่งเรียกว่าสติอะไร สติปัฏฐานเห็นไหมไม่ยากเลยแต่เวลาคิดไปปั๊บใจวิ่งจะ ก, กายไปละวางแผนเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้สติปัญญาเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสติปัญญาแบบสัญชตาตญาณคนที่วางแผนเก่งๆโดยขาดสติแต่วางแผนโดยมีสติเขาเรียกว่าปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่คิดไม่ได้นะคิดอย่างมีสติสมัมมาทิยคือคิดอย่างมีสติเชื่มักษ์คือคิดตามความเป็นจริง ในขณะเนี้ยเรานั่งเนี้ยความจริงของเราคืออะไคือนั่งยกมืออยู่ถ้าจะคิดคิดว่าเอ๊หลวงพ่อพูดคํานี้หมายความว่าอย่างไรนะการคิดแบบเนี้ยถ้าคิดติดความคิดไปอ้าวหลวงพ่อพูดขนาดต่อไปจําไม่ได้แล้วท่านหมายความเพราะอะไรเพราะเข้าไปในความคิดในสิ่งที่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันไปมัวติดความคิดตัวนั้นความคิดเพราะฉะนั้นในช่วงที่ฟังเนี่ยต้องใช้ปัญญาฟังต่อเนื่องไปว่า ไม่กองวลนำไปคิดต่นั้นน่ะอันนี้นคือคือแยกใครนิดหนึ่งนะถ้าเราไปมัวคิดประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้ปั๊บเนี่ยมันก็ประเด็นใหม่ที่ผมพ่ากำลังพูดนี่ก็จำไม่ได้เลยหลงเลยของเก่าก็ไม่ได้ของใหม่ก็ไม่เกิดก็จะ่ับสนทีนี้ก็ฟังไปก่อนฟังไปพิจารณาไปว่าพระอาจารยชี้ตอท่านอุปติสามโนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุ เมื่อจะดับก็ต้องดับเหตุดับที่เหตุอืมีเหตุเกิดสติทั้งหลายมันจะเกิดก็เกิดแต่เหตุก็เกิดความรู้สึกตัวเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันทีนี้การที่จะทํากายมันอยู่ด้วยกันใจอยู่ทั้งก็ต้องทองําความรู้สึกตัวเพราะเห็นว่ามีความคิดไม่ต้องห้ามปล่อยให้มันเกิดแต่มันเกิดเท่าไหร่ทาความรู้สึกตัวเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ทำความรู้สึกตัวเท่านั้นเหมือนไฟเกิดเท่าไหร่เราเอาน้ําไปดับเท่านั้นไฟเกิดเท่าไหร่น้ำดับเท่านั้นไฟมันจะเหลือไหม แต่ถ้าหากว่าไฟเกิดเท่าไหร่เราดับบ้างไม่ดับบ้างไฟเหลือไฟเหลืองก็ไหม่เราทีนี้เวทนาเนี่ยมันก็เกิดตลอดเวลาเราแก้ไขไปเรื่อยๆแก้ไขเวทนาไปเรื่อยๆสติมก็เกิดปัญญาก็เกิดอุปติสสะกับท่านพระอาจารย์ชี้คุยกันนี้ปับ๊บนึกถึงเพื่อนเลยอุปติสสะนึกถึงโกริตัก็ไปชวนเพื่อนอ้าวเพื่อนบอกว่าอ้าวทคุณไปเจออาจารย์ที่ไหนมาอาไปเจออาจารย์องคหนึง่งพูดตรงใจฉันมากเลยนะพูดว่างไง ก็เอาคาถาที่ว่าเยธรรมาพิจูพูดให้เพื่อนฟังเพื่อนได้ดวงตาเป็นแคนหนึ่งแต่เงิงนเพื่อเลยไปถามอาจารย์ว่าตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ไหนเนา อ, อยู่โร่น อ, นอยู่ที่อนุปยอัมพรวันอ้าวไปได้วยกันก็ไปขอไปขอฟังธรรมพุทธเจ้าก็จัดธรรมะให้ฟังก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทําความเพียรคุณจ่าพร ะ, พระอโมคคัลลานะไปทํา พอได้รับกรรมฐานนี้ก็ไ ป, ไปไปปฏิบัติวันที่หนึ่งง่วงวันที่สองง่วงวันที่สามง่วงวันที่สี่ง่วงวันที่ห้าง่วงวันที่หกโอ้ทุกเจ้าบอกไม่ไหวแล้วอ่าหากขืนง่วงย่นีตั้งห้าหกวันไม่ไหวก็เลยไปไปเดินจูกมอยู่ใกล้ไปแต่อาโมฆนะนักตื่นตื่นตื่นตื่ น, นขึ้นมา ไปเด็ดให้ไอ้ดอกยญ้ามาดอกนึงเด็ดมาเออเด็ดมากก็แล้วกันนะมาปั่นหูเล่นอปลูกพระศาสนะปลูกพระศาสตรปัน่นหูเอาตื่นตัวอ้าวไปนั่งปฏิบัติต่อพุทธเจ้ทาท่า น, นก็เดินจงกลมหานน่างๆด้ว น, นะแล้าก็นั่งสร้างจังหวะไม่รูสร้างจังหวะหรือเปล่านะอสร้างไปสรงมาแล้อ้าวง่วงอีแล้วหลับเอาพุทธเจ้าก็แอบออกมาเอาตื่นตื่นตื่นตื่นเอาไปไ ป, ไปล้างหน้านะั น, น ลุกไปล้างหน้าออาทำต่อไปแล้วก็เดินไปหางกุ้สักพักเอ้าหลับอีแล้วอ่าหับไปแล้วเข้าไปตื่นคือจำมุนอะไรได้บ้างเนี่ยจำได้เขานมูเทสาวงนเอาว่าดังเยี่ยปดังๆนมูเทสสาวกกว่ตัราฮตสมาสุดังดังๆเอาตื่นอีกาท่านก็แอบไปสักพักหนเสียงค่อยลงค่อยลงค่อยลอ้าับอีกแล้วก็ออกมาอีกนะอ้าวงั้นเธอลุกไปเดินนะ ลุกเดินเดินสักพักหนึ่งท่านก็กลับไปนั่งอ้าวลับอีกแล้วผู้เรียกก็กลับมาอีก่งนั้นนุนนุนมองดูตะวันมองดูตะวันมองให้ดูตะวันเลยนะในช่วงไหนมันห่วงมองดูตะวันมองสักพักหนึ่งอ้าวลับอีกแล้วโอ้โหอ้เอาเธอไปนอนใช้โมคขลานะไปนอนเลยแต่ว่ามีมีเงื่อนไขนะก็คือนอนแบบตะแคงเอาอะตะแคงขวานอนลงไปแล้วก็เท้าชอนกัน เห็นได้ ว, ว่าที่บทสีหายสยาติไหมใช่ไหมนั่นน่ะนอนแบบมีข้อแม้ว่าต้องนอนแบบสีหาสยสียญาติแต่ถ้าจะคิดอะไรในใจไม่รู้นะพอนอนไปพักพอง่วงวูบไปหน้าสับดินใช่ไหมเพ่านั่งสวิตพอง่งขึ้นมาโอ้โหแลเบิดเลยอะ่ะไอสิ่งที่ง่วงมาแล้วท่านบอกว่าพระมหาโมคลานะ่ะเคยเปรินฤษีมาหลายภพหลายชาติพระฤษีทำแต่ฌานใช่ไหมพอมาชาตินี้ก็ความง่วงที่ทําสมาถานมนหนักมันทับจิต ทับแล้วทับอีกพอโอลีโบทสุดท้ายพอวุบลงไปเนี่ยมันตื่นขึ้นมาโพรงเต็มที่เลยเอาเวเกันนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านขยันแก้มากตั้งสิบอุบายแต่ความจริงที่ใช้เมื่อครูไม่ถึงเลยเกือบสิบอุบายอ่ะปรากฏว่าหลังจากที่ท่านโพรงขึ้นมาเนี่ยบรรลุธรรมในเจ็ดวันวัน 7, ที่เจ็ดที่ท่านไปแก้ให้วันที่หนึ่งถึงหกดันง่วงตลอดพอวันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าไปแก้ให้อุบายแก่ง่วงวันนี้เราทํำดูบ้างนะ แต่ใครจนาแบบพระบุคลาน์น้าวังกันล้กันนะนะลองไปทําดูดูไฟไม้ดูพระอาทิตย์เดินอะไรต่างทำถ้ามันง่วงแต่เราสักสองสามวันก็แก้ได้แล่ะแต่เนื่องจากว่าท่านบุคลานะ้าเนี่ยเป็นฤาษีบําเพ็ญฌานมาหลายภพหลายชาติมากพอหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านเป็นผู้มิฤทธิ์มากไงบารมีเก่าที่เป็นฤาษีมาเนี่ยท่านเป็นผู้ฤทธิ์มากพออ้าว ท่านสาริบุตร์บวชแล้วไปไหนบวชแล้วก็ไปบําเพ็ญอยู่ที่ถ้าก็ยังไม่บรรลุเจ็ดวันก็กลับมาพระพุทธเจ้าบอกว่ า, างั้นก็ทำอยู่วันฉันนี่แหละไม่ต้องไปไหนละแต่ว่าปรากฏว่าสองหนุ่มที่หายไปลุงขุงแก่เนี่ยชื่อทีคานาคะทีคานาคะเป็นคนเล็บยาวทีคานาคานะอาณาจักอาคิเวสันกฏเป็นลุงของพระสาริบุตรตามหา พ่อลุงนี่เป็นเจ้าลัฐที่องค์คนหนึ่งเหมือนกันประเภทที่ปล่อยตามตามตามเวทนาก็เรียกว่าลัที่เวทนาก็เข้ามาถามก็ไล่ถามเขาหมดอะเจ้าที่ถามว่าหลานเขาไปไหนมาที่นี่หรือเปล่าในที่สุดมีคนบอกว่านุ่นไปเฝ้าพระสมณะสักยบุตรก็ตามไปหน้านั้นหน้าร้อนเนาะก็พระสารีบุตรก็ถวายงานพุทธัติพระพุทธเจ้าอยู่พอตามหาหลานก็เห็นหลานก็กล่าวพุทธเจ้า แล้วท่านสอนเขาอย่างไงเขามายอมเป็นสิ่งของท่านทีนี้พทุทธเจ้ก็รู้เหมือนกันทีฆานักขาชีวิตเสกดเป็นเจ้าลทัทธิเอาแล้วท่านสอนอย่างไรท่านก็ย้อนถามนะแล้วท่านจะสอนอย่างไรสำนักท่านสอนเพขาไปเจ้าสอนเรื่องเรื่องเวทนาเวทนาอย่างไงหมายเขาว่าลทัทธิตามใจตัวเองอนะาอันไหนที่ถูกใจนะว่าอันนั้นถูกต้องอันไหนผิดใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นแหละท่านสอนแบบนี้แล้วเป็นอย่างไง อันนั้นไม่ใช่สัจธรรมนะทีครันนะคะอันนั้นเป็นเวทนา <St aning> <the fate of death> อั น, นันไม่ใช่ปัญญาเป็นเวทนามีโยงกับประเด็นเดิมนะที่ผ่านเมื่อกี้ผ่านไปนะอ่ะยงมาประเด็นเดิมอย่าทิ้งประเด็นว่าอันนั้นคือเวทนาเป็นความรู้สึกอ่ะถ้าหากว่าเธอนั่งแบบนี้เธอพอใจได้นานไหมเดี๋ยวเธอก็พลิกเมื่อกี้เธพอใจท่านี้ก็พลิกท่าใหม่เดี๋ก็พอใจนิดเดียวเดก็พลิกอีกถ้าหากว่ามันพอใจมันเที่ยงมันก็ต้องไปพลิกสิไอ้พอใจก็ไม่เที่ยงใช่ไหม ใช่อ่าเจ็บก็ไม่เที่ยงจะไม่สบายก็ไม่เที่ยงจะไหมก็คุยกันไปคุยกันมาเมื่อไม่เที่ยงแล้วทําให้เป็นางนั่งเนี่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ปวดอีกมันก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเวลาเุอพิกไปใหม่เนี่ยไอไอความที่มันทุกข์ปวดขานมันยังอยู่ไหมไม่ทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาเนี่ยคืออันที่จริงทุกข์องอนัตตาของของเวทนามันไม่ใช่สัจธรรมเพราะทุกวันนี้เราก็ยังใช้รัฐที่ของขีดฐานะขาเนี่ย ใช่ไหมกรรมาฐานอันไหนสอนฉันถูกใจก็เต็มที่เลยนะแต่อันไหนที่สอนนันขัดใจฉันไม่เอานี่พวกนี้ยังรับรับถือรัฐที่ทีฆานะะอยู่แล้วคนทุกวันน่ก็ยังรับถือรัฐที่อของทีฆานะขะคือทําอะไรตามใจตัวเองอยากได้อยากทำก็ทําตามใจตัวเองก็ถือลัที่ถือเอาเวทนาเป็นเรื่องถูกต้องาจริงเวทนามันเป็นรูปที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เ, เ, เป็นอันนี้จังทุกขังนันตาตลอดเวลา มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวปัญญาพอเสียงนะถามกันไปถามกันมาอย่างนี้ปรากฏว่าคนที่งานพัดอยู่ข้างหลังเป็นไงเกสบรรลุธรรมเป็นพระละหันแต่หลังคุยกันจบที่คานะขะนั่งฟังอยู่หน้าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเจ้าละทีแต่ว่ายังไม่รู้ธรรมแต่พอฟังเทศน์นี้ธรรมเทศนาการ น, นี้เรียกว่าเวทนาปริกหาสูตรปรากฏว่าพระสารีบุตรหลังจากฟังธรรมกา น, นี้แล้ว มีปัญญามากมีปัญญาแหลมคมกว่าเพื่อนเพราะสามารถเปลี่ยนเวทนาให้เป็นปัญญาได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนไหนที่ทุกข์มากๆเนี่ยไม่ต้องกลัวสร้างสติเยอะๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวเวทนาเนี่ยเหมือนกระตาปฏิกรนนิวเคลียร์ในตัวเรานะ <c oughs> ใช่ไหมมันระเบิดเราตลอดเวลาจนเราดิ้นตลอดเวลาเนี่ยไอ้ที่เราดิ้นไปดิ้นมาเพราะอะไรเพราะเวทนาแก้ไขเวทนาตลอดปวดท้อง อ้าวเข่าห้องน้ําปวดหนักไปเข่าห้องน้ําอยู่ไม่ได้หิวไปหากินดิ้นตลอดเวลาเขาเรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นพลังควันตั้มฟิสิกส์ในร่างกายของเราด้วยพลังของเวทนาถ้าเราเปลี่ยนเวทนาตัวนี้ให้เป็นปัญญาได้ตอลอดเวลาปัญญาของเราเป็นไงโอ้โหมหาศาลเลยใช่ไหมอย่างภาษาลิบุตแต่ว่าเราเปลี่ยนมันไม่ได้เป็นปัญญาตอลอดเวลาเพราะเราขาดอะไรขาดสติขาดสมาธิตัวสติตัวสมาิจะเป็นตัวเ ป, วเปลี่ยนแปลง Really important. I talk about how to transform. If you develop the energy of mindfulness and energy of concentration to be stronger, you can use the energy of mindfulness and concentration transform the painful feeling, bodily feeling, mental feeling to be wisdom, i n s i d e wisdom. Everybody has such a painful feeling or unhappy feeling all the time, but how can we transform it to be the insight? So we need to have the energy of mindfulness, energy of self-awareness, energy of self-observation, set o b s e r v i and t r a n s f o r m i t h ah. e n the n t we will do o m e t h i n g o give us more a w a e s m r e wisdom, a d m o e concentration. แล้วเปลี่ยนเอาทุกเวทนาที่เรามีเยอะให้เป็นตัวรู้ให้หมดรู้แต่ว่าคนชนใหญ่สติสัมยาไม่พอเราไปแช่อะไรแชร่ในเวทนาสุขเราก็แช่ทุกเราก็แช่ชอบเราก็แช่ไม่ชอบเราก็แช่ถ้าไปแช่ในความสุขไปแช่ในความชอบเวทนากลายเป็นอะไรเป็นโลภะเป็นลาคะเห็นไหม การที่เราไม่มีปัญญาไปเปลี่ยนแปลงสุขเวทนาสุขเวทนาเปลี่ยนแปลงเป็นกามราคะแล้วกามราคะนี้เราเห็นทางตากามเกิดทางตาเราชอบได้ยินทางหูเราก็ชอบได้กินทางจมูกเราก็ชอบสัมผัสทางลิ้นเราก็ชอบอีกไปสัมผัสนิ่มนวลทางกายก็ชอบได้เวกามกามราคะแล้วใจชอบอีกเห็นไหม ตัวสุขเวทนาอย่างเดียวถ้าเราเปลี่ยนแปลงเป็นไม่ได้มันกลายเป็นกามครอบงำสัตว์ทุกตัวทุกตนเลยที่เราเกิดมาได้ก็เพราะตัวนี้เพราะเราติดสุขเวทนาและสุขเวทนานี้ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองมันกลายเป็นอะไรทันทีดังนั้นไอ้ตัวเวทนาในโอหูมันมันใหญ่หลวงมากถ้าหากว่าเราเจริญสติถ้าไม่รู้ลูบ ร, รู้นามเราก็จะไม่รู้จักเวทนาเราก็ไปสาคัญเวทนาว่าเป็นตัวเรา เช่นเรารู้สึกพอใจเป็นไงเราก็อยากได้มากขึ้นไปเรารู้สึกไม่พอใจเราก็งุ่นงิ้บปฏิฆาแต่หารู้ว่ามันนั่นมันคือเวทนาแต่เรามีสติกำหนดรู้ทันปับ๊บไอ้ตัวเวทนากลายเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ปัญญาเยอะๆเนี่ยตั้งสติเปลี่ยนเวทนาทันทีสมมุติว่าเอาลนั่งรี ป, ปวดขานานใช่ไหมกำหนดรู้แล้วขณะกำหนดรู้นี่ไม่ใช่เปลี่ยนไปพั่ำเลยนะถ้าว่าเปลี่ยนไปพั่ำนี่เป็น สติแบบอะไรแสนเายแต่ต้องมือรู้อ๋อมันปวดอย่างนี้พอขยับนิดหนึ่งเออเมื่กี่ปวดหนะักห้ไปขยับไปนิดหนึ่งอ๋อหายไปเยอะอ๋อหายไปหมดเลยเนี่ยพอนั่งไปใหม่รู้สึกแไงสุขเวทนามาแล้วสบายขึ้นรู้กระบวนการของการดับไปของเวทนารู้กระบวนการเกิดขึ้นของสุขเวทนาเห็นไหมดังนั้นเองเราแต่ละวันเนี่ยเราละเลยขุมปัญญามหาศาลเลยเพราะเราขาดอะไรขาดสติ ดังนั้นเราจึงมาที่นี่มาเพื่อพัฒนาโดัวสติพัฒนาโดัสมาธิเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงเวทนาเวทนาเหมือนกระแสน้ําที่มันไหลตลอดเวลาแต่การที่เราโยนหินโยนไปที่พูดถึงเขื่อนเมื่อกี้เราสร้างเขื่อนกั้นเอาไว้ไม่ให้เวทนาไปไหลไปตา ม, มนวนแล้วเวทนานี้สามารถที่จะเป็นปั่นกระแสนมม้ำออกมาเป็นแสงไฟเนี่ยเห็นไหมนี่เปลี่ยนแปลงเวทนาเป็นแสงสว่างแต่ถ้าเปลี่ยนเวทนาถ้าหากว่ากระแสน้ำนั้นแรงเวทนาก็ เหมือนน้ำท่วมท่มบ้านคุวมเรือน <c oughs> ขอโทษดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราได้มาศึกษาวิธีปฏิบัติเนี่ยทําไมเราถึงใช้การเคลื่อนไหวเพราะสติที่เราได้จากลมหายใจเนี่ยมันบางเบามากไม่มีพลังพอเหมือนที่เราเอาดินเอาหินโยนลงไปในแก้แสน้ําแต่ว่ามันน้อยมันไม่มากพอใช่ไหมมันน้อยเกิดไปสติที่เกิดจากลมหายใจเนี่ย มันน้อยส่วนไปญ่ผมพ่อเทียนไม่ได้ไปดิสเซ่นนะภากาอ้าปากหายใจเลี้ยวใช้ไหลขวาข้อมือหยิแบบหยับเฉนให้รู้ให้หมดแม้แต่ลมหายใจก็รู้รู้เข้ารวกเท่านั้นเองอย่างหลวงพ่อเวลานอนไม่นอนหลับไม่สนิเซิงไงกําหนด ล, ลมหายใจเล่นเล่นชื้นลื้อยาวๆ ย, ยิ่งนอนไม่หลับก็ยิดด่งดีเราจะได้เจริญอนาณาปา <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมบอกคนนอนไม่เป็นเวลานอนไม่หลับกระับกระส า, ายดิ้นใช้ดินด้นขวามันก็ยิ่งตื่นไปใหญ่ แต่สำหรับนักปฏิบัติของเราเวลานอนไม่หลับดีมากเลยเราก็จะมาดูลงหายใจเล่นๆของเราถ้ามันไม่หลับจิตเราก็ได้พักผ่อนแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงสามนาทีแร้กกาหนดลงหายใจแป๊บเดียวมิดไปเลยนะ่ะหลับสนิทด้วยไม่เชื่อลองดูนะอใครนอนไม่หลับมันดีละกลําหนดรู้ลงหายใจเล่นๆไปยาวๆทั้งนี้เผื่อจะเห็นว่าเวทนาเป็นเรื่องสําคัญแล้วเราจะรู้รูปรู้นามเวทนาเป็นประตูหลัลกรู้รูป ในขณะที่ยกเนี่ยมันมีทั้งเวทนาและมีทั้งสติขณะที่ยกในแขนไปนไงเย็นเป็นอะไรเป็นเวทนาใช่ไหมเรารู้ว่ายกหนักยกเบายกเขา้ายกออกเป็นสติเพรานี้แยกสองตัวให้ออกเพราะเวทนานั้นมันเป็นรูปถ้าเป็นได้ทั้งนามด้วยถ้าเราไม่มีเวทนาเราก็จะไม่รู้รูปไอ้เรื่องควาบาหวานไม่เส็นเรื่ความดันโลกไอ้ไม่เกรน ด้วยเขาเพาะรักษาให้หมวดแต่มาภูมิแพ้รักษายากมากเพราะมันเป็นวิบากกรรมนะโลกวิบากกรรมรักษายากแต่ก็ต้องยอมรับใช้มันไปที่จะให้รู้สึกสติมันนีพยายามสร้างให้สบายๆอย่ไปสร้างแรงเหมือนผิวน้ําเนี่ยถ้าเราแตะแรงไปไงน้ําก็กระเพื่อมใช่ไหมแต่ถ้าเราแตะค่อยๆทําสมูทสบายๆให้รู้สึกชัดๆครบสีจังหวะ น้ำเนี่ยถ้าไปเขย่ามาแรงมันกับเพิ่มแรงพอแรงไปมันก็คุนใช่ไหมสตีเหมือนกันถ้าไปเขย่าแรงกี่ห้องเราก็มีเวทนาแรงพอมีเวทนาแรงเดี๋ยวมันก็ตรงซ้ายตรงขวานะทําให้มันเขาชัดๆเบาๆสบายๆไม่ต้องไปเขยาะเขย่าให้ทําเพื่อเป็นอุบายให้เกิดความรู้ตัวดึงกายดึงใจมาอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองนะไปเขยาะเขย่ามาแรงเกินไปบางทีมันตะเลิดนะก็พยายามทําให้อาสบาย เวทนาเบาบางแค่เคยๆเมื่อวานพูดถึงเวทนาเบาบางเวทนาอย่าให้หนักเกินไปแต่แค่ระเบาจนกระทั่งว่าำหนดลมหายใจเบาเกินไปก็ไม่ได้เบาเบาผิวไม่ใช่เบาบางนะดังนั้นเองในจุดนี้พิมอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ย I would like to to translate it เป็นบริลล h ่งซีดิงไลการ์เดอะสตรีมวอ e ตอร์ e ีรีส์ e ริลล e a ง f l o d u c e f r o d u c e all the time. But the scientists, d a m scientists, they can build a dam. If a big dam, they can uh, contain a lot of water. Water become the big dam, like a Hoover Dam or h o o p e r Dam, like the big dam. And also after that, they set the generator or transform the sea water to be. Electrical power. You see, we have the the light now, really, really light. Because of we have this, this power, we produce from the uh, river steam from the waterfall, like it. Especially our temple here, we produce the electrical power from the the f uh, the uh, waterfall there. So we have the light like it. The same thing. Everybody have their a uh, pain, f u l f e e l i n g a happy feeling. We can transform. Transform such an unhappy feeling to be the i n s i w h c wisdom. Really important point. Okay, so you need to build the dam. Either try to be aware of your action, mindfully action, mindfully teaching, mindfully moving, mindfully d r i n k i n g mindfully speaking, mindfully eating. You can collect a lot of energy of mindfulness and transform. Okay. ทมีี่ญี่ปุ่นคือสองคนฟังภาษาไทยดูเรื่องบางไปดูเรื่องมันก็นเลยแปลให้เขาหน่อยขอโทษนะดังนั้นเราจะเห็นว่าเรา<ม>ทุกคนเนี่ยมีกําลังอันนี้มหาศาลคือกําลังของเวทนาถ้าหากว่าเรามีพลังของสติได้ปฏิบัติกันต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้เรามีปัญญาทุกคนแต่ว่าปัญญานี่มีสองอย่างนะหนึ่งปัญญาที่ขาดสติ เรว่ามิชาปัญญาสองปัญญาที่เป็นมีสดิเรียกว่าสัมมาปัญญาที่เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นมิชาปัญญายีดเป็นสัมมาปัญญาจะรู้ได้ไงที่เราสวดมิเกีย เ, เมื่อเมื่อวันหนึ่ก่อนว่าสัพเพสังฆาราอานิจจติยะธาปัญญายาปัสติอัานิพพินทติทุเคเอส ม, มโควิสุทติยาสัพเพสังฆาราทุกขาติสัร้าเพ สังขารานิจารณาตาติยะธาปัญญายาปัจติอธัธนิพพิทติทุกเคเอมะโควิสุติเ <The divine> มื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าคือปัญญาที่ถูกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยเป็นทุกข์สิ่งและทัง้งปวงตัวที่จะเป็นสัมมาปัญญาหรือปัญญาที่ถูกต้องคือต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจตลอดเวลาถ้าไปเห็นความเปลี่ยนแปลงนืรนไม่ใช่สัมมาปัญญาโอ้ ไมตัวนั้นหิวแล้วเนาะเดี๋ยวใบมันหล่นพวกใบมันเหิวี่เป็นได้ยี่ยังมันก็มันเป็นทุกขังด้วยก็หล่นลงมาเป็นอนัตตาอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาปัญญาแต่สัมมาปัญญาที่เห็นว่าตัวเนี้ยเรานั่งมานานเป็นชั่วโมงเนี่ยมันปวดยังไงมันเจ็บยังไงมันหนาวมันยังมันเหน็บยังไงมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพอเราขยับไปเอาความปวดหายความปวดนั้นหายไปเป็นอนัตตาแล้วออพอพิจัยใหม่พราะความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของอะไรเลือดลมภายในหมุนอยู่ตลอดเวลามันก็ไปสร้าง พอเราไปอปิดทางมันไว้มันก็เกิดการเบียดเราเดี๋ยวแล้ เ, เกิดความปวดความปวดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นพึ่งไม่ได้มันไม่มีตัวที่จะพึ่งเป็นอนาัตตาเราคับบัญชาไม่ได้เป็นไปนตามกฎของมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎของไตรลกักษณ์รือนิจังทุกขังอนัตตาแต่ว่ามีอีกทางหนึ่งนาม สามารถพัฒนานามเนี่ยให้มาอยู่เหนือกฎอนิจจังทุกขังหน้าตาได้แต่รูปทุกรูปนะตั้งแต่อนุเล็กๆเนี่ยจนมาถึงรูปที่ใหญ่ที่สุดเป็นไปตามกฎนี้ทั้งหมดกฎของนิจังทุกขังหน้าตาแต่ว่าในสิ่ของเราเนี่ยมันเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามถ้าหากว่าในใจของเรามีมรูปติดอยู่ความคิดเรียกว่าความคิดต่อเมื่อไหร่ให้มีตัวรู้เฉยๆไม่มีความคิดปนอยู่ด้วยตรงนั้นเป็นนามล้วนๆเรียกว่าปรามัด ตรงนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงตรงนั้นอยู่เหนือกฎของนิจังทุขังหน้าตาตรงนี้คือความได้เปรียบของมนุษย์พุทธเจ้าท่านค้นพบกฎอันนี้ว่าในเมื่อรูปนี้เป็นเป็นเป็นธาตุของเป็นเหวของนิจังทุขังหน้าตาโอเคแต่ว่ายังมีอีกอันนึงนามแต่นามเทีนี้ถ้า ย, ยังมีรูปปนอยู่นามอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าความนามอันนี้มาติดกับรูปเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปหรือว่ารูปนามแต่ถ้านามอันนี้ไปติดกับ ใจกับจิตเราเรียกว่านา ม, มารูปเช่นทุกคนเราคิดถึงบ้านดิเห็นบ้านปรากฏในใจหรือยังเป็นรูปไหมเป็นแล้วฉะนั้นความคิดนั้นอยู่ได้ไหมตอนนี้มันดับไปแล้วเห็นไหมเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นแต่ความรู้สึกตัวตั้งแต่เกิดจนวันนี้ความรู้สึกตัวนี้หายไปไหมไม่หายนี่เห็นไหมเป็นความรู้สึกคนไหนเกิดมาไม่รู้สึกตัวเขาก็เป็นไงตีตีรู้สึกตัวเด็กก็ รู้สึกตัวทันทีที่มันรู้สึกตัวมันร้องว่าไงเด็กเอาแวเอาแหวเอาแวเรามาเปลี่ยนเป็นเอาแว่เอาแว่แต่นะคนจริงเอาแว่เด็่แต่ว่าความรู้สึกตัวนะภาษาไทยภาษากีนตรงกันมากเลยตงให้มันร้องเอาแวอาแวให้ได้ถ้ามันไม่เอาแวมันรู้สึกตัวเด็กคนนั้นผิดปกติอาจจะสมองเสื่อมอาจจะพิการให้มันร้องเต็มที่เลยให้มันรู้สึกตัวเราก็มาประหยัดว่าเอาแวเนีเอาแว่เนี่ยอินไทยแลนด์เกจิโต We have, u h when the a new baby uh, born for the first time, if they don't cry, the doctor will hit them, make them cry. But that crying they we really call aware, aware, aware. Uh, the the the sound of the uh, crying aware, like an uh, English like t e awareness become aware is a synchronize order. You know? ดังนั้นจะเห็นว่าความรู้สึกตัวเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้มันไม่เคยดับเลยใช่ไหมมันยังยังอยู่กับเราอะ่ะแต่ที่เรามากระตุ้นให้มันเข้มแข็งนี่เพื่ออะไรเพื่อมันมีพลังพลังที่จะยั้งจิตไม่ให้ไปเปตกเป็นทาตของลูกได้ให้จิตเป็นตัวข้อมันล้วนเรียกว่าปรมัดแต่ถ้ามันยังมีคิดได้อยู่เราเรียกความคิดนั้นว่าสมมุติแต่ถ้ามันมีความรู้สึกตัวล้วนๆไม่มีความคิดเข้าไปปนเลยเราเรียกว่า ปร r a m a t แต่ถ้ามนมาเรียกเบื้องต้นว่ารูปคือส ม, มุตนามคือป aramat แต่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้หลวงพ่อพูดรัดไว้ก่อนเผื่อว่าบางคนภาวะถึงแล้วก็จะได้เข้าใจแต่บางคนยังไม่ถึงก็ก็ฟังไว้ก่อนก็แล้วกันนั่นแล้จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเรก็โชคดีผ่านการเวลาไปถึง 2,000 กว่าปีแต่สมวงพ่เทียนท่านได้พิสูจให้เห็นแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ใช้ตัว สมถะแบบลมหายใจทุกรูปแบบท่านทำมาหมดไม่ว่านอพุโทโธสัมมหังก็ทำหมดแต่ว่ามันไม่เจ็ตมันไม่มันไม่มีพลังแต่พอท่านาเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยพลังมันพอเพราะการเคลื่อนไหวมันจ้งมีต้งทั้งหมดตัวของเราใช่เคลื่อนไหวตลอดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนจุดสตาร์เท่านั้นเองยกมือเนี่ยมือนจุดสตาร์ที่จะไปรู้การเคลื่อนไหวทั้งเนื้อทั้งตัวเพราะฉะนั้นเวลารู้ไม่ใช่รู้ที่มือเท่านั้นนะรู้ทั้งตัว บางคนถามว่ารู้ที่มือไหมหลวงพ่อโดยทีก้มรู้ที่เท้าไหมสําหรับคนใหม่รู้แค่นั้นก่อนแต่สําหรับนานเข้านานเข้าแสงสว่างของความรู้สึกตัวที่เกิดจากการยกมือบ่อยๆมันค่อยกระจายไปกระจายไปกระจายไปที่เรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยมัน ไ, ไปทั่วตัวทั่วพร้อมแล้วความรู้สึกตัวตัวของตั้งอยู่นานๆเราเรียกว่าสมาธิแล้วสามารถสมาธิตัวนี้สามารถไปรู้จิตได้ด้วยเรียกว่าปัญญาเห็นไหมพอพัฒนาเป็นปัญญาก็เป็นปรามัติเนี่ย พอไปถึงจุดนี้แล้วก็ได้รู้จกักปรมาจา์ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะใค่ได้รูปนามแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบงสุนพอรู้ประจักปรมาจาก์ก็ได้ดวงตาที่สูงขึ้นไปแต่เราก็ไม่ต้องการนะทําไงที่เราสามารถที่จะรู้จิตที่มาเป็นเหตุของทุกข์นะ่ะให้ดับทันทีเป็นใช้ได้จิตเท่านั้นที่มันเป็นที่ตั้งของทุกข์ถ้าไม่มีจิตไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงพัฒนาจิตตัวนี้ให้เป็นอะไรเสียให้เป็นสัมมาปัญญาเสีย พอมันเป็นสมมาปัญญาเราไม่เรียกว่าความคิดเราไม่เรียกว่าจิตละเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ได้ใช้ชีิตอยู่ด้วยความคิดได้อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เจริญสติเนี่ยเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะปัญญาเราไม่พอพอปัญญาเราพอเราก็พัฒนาเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นแสงสว่างเราก็ทํางานภายใต้แสงสว่างของธรรมเรียกว่าพระธรรมแล้วกายทั้งความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่มันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นธรรมความทุกข์กลายเป็นธรรม เพราะมีตัวแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นไอ้ตัว Transformer ของเราเนี่ย ต, ต้องติดไว้ตลอดเวลาคือตัว ส, สติสัมปชัญาะเนี่ยดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ยากแต่ขอให้เข้าใจและขอให้ตั้งใจเมื่อเข้าใจตั้งใจแล้วเนี่ยบางทีบางคนสามวันก็รู้เลยนะสามวันเข้าใจเลยหนยูพ่อไปเปิดอบรมที่สนามที่สามประเทศสหญ่จะทาในห้องแบบเนี้ย เพรออกข้างนอกไม่ได้อากาศมีการร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดก็มีบางช่วงเท่านั้นที่ออกข้างนอกได้มันก็ทําให้เห็นเวทนามากใช่ไหมง่วงจัดจัดเบื่อจัดจัดเหนื่อยจัดจัดปวดเมื่อยสารพัดแต่ถ้าคนไหนได้ไม่มีปัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นไงทุกทั้งวันเลยใช่ไหมเบื่อง่วงเงาเซ็งโอ้กูมาขังอยู่ที่นี่เลยตูกลับบ้านดีกว่ามึางขี้ไปทางนน้นเลยทีนี้ตอนนี้นเขาเรียกไม่มีปัญญาแล้วปัญญาหมดแล้วแต่ถ้าหากว่าคนไหนยิ่งทำยิ่งเห็นแต่ทํานี้ทําแบบสบายเนะย ไปทำแบบเก็บกดเพ่งบีบคันนั้นมันเป็นอันนั้นไม่ได้จิตมันจะไม่สบายจิตของเราไม่อิสระนั่งหลายคนก็เหมือนคนเดียวทําแบบสบายไม่ต้องไปกลัวหลงตาจะไหวก็มไม่ต้องอ่ถ้าเราไม่ง่วงให้ท่านเห็นนะนะท่านก็ไม่ว่าเรามถ้าง่วงหเห็นก็ขี้เอาเท่า น, นั้นแหละก็แอบแอบง่วงหน่อยนะก็อย่าให้ง่วงนานนะง่วงพอหายเหนื่อยนะฮะก็ทําไปที่สร้างจังหวะเหมือนกันบางครั้งเราก็อ่าทําชา้าๆเบาๆไม่ใช่ไปยก สีส่จังหวะเสมอไปพอจิตเราไมนไม่ฟูง ม, ม, ม, ม่แต่งแล้วก็ทําบาๆ ส, สบายในช่วงไหนที่มันรู้ว่มันจัด ก, ก็ทำเป็นแรงก็ได้ต่อยแรงทุกแรงแรงก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแบบเท่านั้นแต่ส่วนเวลามันมีปัญหาข้างในเนี่ยเราจะต้องใช้สติในหลายรูปแบบจะลูกขึ้นยืนสร้างจังหวะก็ได้จะนั่งแบบนี้ก็ได้เวลามันหนักขึ้นนั่งแบบนี้ก็ได้จะยืนทําก็ได้เหยียดขาทําก็ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่มันดีกว่าการใช้ลมหายใจคือมันสามารถเปลี่ยนท่าไปได้หลากหลายมากแต่ลมหายใจคือคาขวาทับขาซ้ายมือขวาทมือซ้ า, ายตั้งตัวตรงลมรองเสียดีมันกำหนดลมหายใจเขาออกแค่นั้นคุณดิ้นไปกว่านั้นไม่ได้แล้วะมันก็ล็อกเราดีนะเวทนาก็เผาเราทั้งวันมันก็ไม่ไปไหนไอจิแต่อันนี้เราเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าดูเวทนานี้เขาเรียกเป็นวิปัสสนาโดยตรงแต่มีสมร tha อยู่บ้างเขงน้อยหน่อยเพราจะเห็นว่าเราโชคดีขนาดไหนมาพบวิธีการอันนี้ย น, นะ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าหลวงตาท่านจะเข้มก็ดีนะท่านเป็นผู้ที่เหมือนก็นดูแลไฟที่เห็นนึ่งข้าวให้มันสุกแต่อย่าดื่มปิดฝาล่ะนะำนึ่งข้าวดื่มปิดฝาก็ข้าวไม่สุกเหมือนกันนะท่านเป็คนให้ไฟใช่ไหะท่านก็ดูแลไฟไม่ให้ไฟมันดับไอเราเป็นข้าวเราก็ต้องอ่าสุกแล้วทีนี้สุกก็กินได้คือเกิดประโยชน์ใญนญสมัยเรามันไม่ได้คงข้าวเองคงนืง้ภาพใพรหลวงพ่อมีพรานธรรมชาตินั้นทุกอย่างพ่อเป็นคนสองยุคยุคเก่าและยุคใหม่ นผ่านมาแล้วหกสิบข้อพิเศษแล้วเพราะนั่นก็ได้เห็นทั้งสองยุคเลยดังนั้นโชคดีที่พวกเรามีเวลาตัวนี้แล้วก็คนสมัยใหม่นิเวทนาค่อนข้าง new age new generation have b e e sensitive to create a lot of the painful feeling So if they don't have the energy of mind f u l n e s s not strong enough cannot transform the painful feeling to be in s i d e t h i c e so we have the maybe uh, lucky or maybe, maybe unlucky about that ใช่จะพอได้ดีดังนั้นเองเราอย่าลืมนะอย่าลืมในการที่จะใส่ความรู้สึกตัวในใ น, ในทุกการเคลื่อนไหวไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวัดตรงนี้เท่านั้นหรือไม่เดินจุกมุมที่นั้นแม้แต่ออกไปทําอะไรที่เน้นตรงนี้มากเพราะนั่นมก็คือชีวิตจังวันของเราเราสร้างตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเกิดความคุ้นเคยเมื่อมันคุ้นเคยแล้วเวลาเราไปใช้ชีวิตจังหวันเนี่ยมันจะรู้สึกตัวเองจับช้อนจับแก้วจับอะไรต่างๆรู้ไปเรื่อยๆขยันเนี่ยไม่ใช่ขยันทํานะ ขยันรู้ถ้าคุไหนขยันทําแต่ไม่ขยันรู้แล้วเสร็จเลยเหนื่อยบ้าวเจ็ดวันไม่ได้อะไรแต่คนไหนขยันรู้ทําบ้างไม่ทําบ้างไม่เป็นไรแต่รู้บ่อยๆภาพตาก็รู้ปากรู้หลวพ่าพูดเนี่ยลิ้นกระดกขึ้นลงยังไงหลวงพ่อยังรู้เลยนะอ่าพูดไปแล้วหายใจลึกๆยังไงปฏิบัติได้หมดเลยนะแล้วมันสนุกหลงพ่อทํามาทียี่สิบกว่าปีแล้วมัสนมนะสนุกมากๆเลยชี้เอ๊ะทำชี้ทำมาสนุกขนาดนี้นะ เลยยังไม่อยากจะตายอยู่ตอนนี้นเพื่อจะถ่ายทอดความสนุกสนานนี้ให้คนเยอะๆนะแต่พคนตายได้ก็ดีเราจะได้พักเราจะได้พักน ะ, ะเรพราะฉะนั้นชีวิตโอ้ถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนเวทนาให้เป็นปัญญาได้นะวิเศษมากเลยของดีมีอยู่กับเราหมดอย่าให้ปัญญากลายเป็นไฟมาเผาเราแต่ขออย่าให้เวทนาขอโทษอย่าให้เวทนามันกลายเป็นไฟมาเผาเราแต่ให้เวทนาเป็นแสงสว่างให้เราเห็นใช่ไหม เพราะนั้นสิ่งเดียวเนี่ยคุณจะให้มันเป็นแสงสว่างหรือเป็นความร้อนละ่ะขึ้นเยอคุณนะไม่ได้ขึ้นกับหลวงตานะอ่าหลองตาท่านก็ดูแลไม่ให้ไฟมันดับเท่านั้นเองเนีแต่เราอยาเอาแสงไฟหรือ จ, จะเอาความร้อนท้องไฟละ่ะใช่ไหมอ่าอันนี้ขึ้นอยู่ปัญญาของเราคนนะไม่เท่ากันดังนั้นในวันนี้ก็เลยว่าหลวงตาจะไปแต่เชา้าหมดเวลานล้วหลวงตาเนาะหกโมงึ่เนาะเนี่ยไปแต่เช้าเพราะว่า วันนี้เดินทางไปเชโยภูมิผู้นี้เตรียมตัวอยู่ที่เชโยภูมิวันหนึ่งก็ต้องไปซักขาพปงโพงโปงผ้าเพราะวันที่สิบจะไปเขาใหญ่อันนี้กลุ่มไฮโซจากกรุงเทพนะที่เขาไปเอารีสอร์ที่เขาใหญ่ก็เลยจําเป็นต้องไปทําหน้าที่แบบนี้หน้าที่ของพ่อทั้งตลอดทั้งสีไม่มีอะไรคือจัดดีทีสแล้วก็บอกแต่เรื่องนี้เท่านั้นเรื่องอื่นไม่ทํำละเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นการนําคนออกจากทุกข์แต่ว่าเขาทําเรื่องนคนทําคนอื่นทําหมดแล้วไม่ยากแต่เรื่องนี้ยากมากอ่า เพราะนั้นเราต้องเรียนรู้สู้สินยากแต่คนไทยของเราที่ไม่พัฒนาเพราะอะไรนิสัยไม่เรียนรู้เจออะไรยากทิ้งไม่เอาแต่เราจะต้องเป็นคนนิวเอชคนยุคใหม่เนี่ยจะต้องเรียนรู้สู้สินยากเข้าใจไหมโอเค a little bit for our uh, Japanese f r i e n d uh. if we can transform the bodily feeling mental feeling to be the wisdom that is a, Uh, actually, we have two quality of the fire. Fire have two quality. First, heating or hot. Secondly, the, the light. Okay, understand the light. If you cannot transform the bodily feeling to be wisdom, such a feeling can be heating, burn you all the time. If you develop the energy of mind l n s s or energy of s a w a r e n e s s Can transform the bodily feeling to be wisdom. We use the second quality, the light, not rain, right, light, the light. a nah. yeah, can be light. The light, when the light pop up, we can see everything as they really are. We can see everything they really are. That's the realism. Right we can see everything clear. Such a thing never cheat us. Never deroot us again. มี can open the eye b e c a ค s e i นเตอ eye, ้ายอดิสแตนโอเคแตงนั้นเองเราก็พยายามนะในการที่จะเกิดมาครั้งนี้ชาตินี้ไม่ให้เสียแล้วพวกเราที่มานั่งอยู่ตัวนี้ไม่ใช่มาโดยบังเอิญนะเรามีสิ่งที่ดีๆหนุนเรามาก่อนมีสิ่งที่ดีแบ็กอัพเรามาก่อนเราถึงได้มีโอกาสมานั่งตัวนี้แล้วได้มาฟังหลวงพ่อพูดหลวงพ่อเป็นคนหาตัวได้ยากนะเป็นพระลอดนะแป๊บไปตรงนั้นแป๊บไปตรงนี้แป๊บไปตรงนั้น เพื่อไปแสวงหาคนจริงเพราะคนจริงไม่ได้เดินมาหาเราง่ายๆหรอกแต่เราต้องไปหาคนจริงที่ต้องเดินไปหาเขาถ้าหาพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เผยแพร่พุทธศาสนามาถึงเราใช่ไหมเพราะยันุพ่อเดิไปทั่วโลกนะปีต่อไปที่เขาไปยุโรปพอยุโรปมาปฏิบัติกับหลวงพ่อที่อเมริกาเขาเขาเข้าใจไปเผยแพร่ที่ยุโรปเพราะว่าปีนี้มูลหลวงพ่อบอกปีนี้หมดหมดเวลาแล้วขอปีหน้าก็แล้วกันแล้วจะเห็นว่าเรื่องนี้คนต้องการทั่วโลก ที่ไปที่ออสเตรเ ล, ลียก็เลอรี่มณีน่ะดำนั้นพวกเราเป็นคนไทยมีสิ่งที่ดีที่จุดแนแผ่นดินเราต้องไม่ให้หลุดมือไปสร้างขอรู้สึกตัวมากๆแล้วมันจะไปเปลี่ยนทุกข์ของเราให้เป็นไม่ทุกข์ไม่ใช่เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขนะเปลี่ยนให้เป็นไม่ทุกข์อันนั้นจะทําให้เราเข้าใจก็ขออนุโมทนาสาธุให้พวกเราทั้งหลายจงได้แสงสว่างเกิดดวงตาถึงนธรรม ภายในตัวเองเห็นใจตัวเองเห็นชีวิตของตัวเองอย่างแจ่มแจ้ ง, แ, งแล้วพ้นจากพุกกันทุกคนทุกท่านคือ